สามสิบห้าสามสิบห้าที่สนามบินดีบันดารทดิฉันขอจองเที่ยวบินไปเอเทนค่ะ membuat r e บ e r v a s i p enerbangan ke Athena นี่เป็นเที่ยวบินที่บินตรงใช่ไหมคะ .apakah ini penerbangan langsung? ขอที่นั่งริมหน้าต่างและไม่สูบบุหรี่ค่ะท olong tempatnya di dekat jendela. tidak merokok. di c h a ขอยืนยันการจองค่ะ ฉันอ i ากยืนยัน e ารจองขอ s ฉันดิฉันขอยกเลิกการจองค่ะ m ันอ a าก a กเลิ e การจอ s ขอ a ฉ a นดิฉันขอเปลี่ยนการจองค่ะฉัน s a ากสั่งซื้อการจอ a s i saya เที่ยวบินไปโรม เที่ยวต่อไปออกกี่โมงคะ apan เครื่องบินตั t ถัะบินรมยังมีที่ว่างอีกสองที่ไหมคะอะไรท a ่มีสองที่ว่างไม่เรามีที่ว่างอีกเพียงหนึ่งที่เท่านั้นคะ่ะ tidak k a ม i h ม n y a butuh Kursi satu lagi เราจะไปถึงเมื่อไหร่คะ Kapan kita mendarat? เราจะไปถึงที่นั่นเมื่อไหร่คะ Kapan kita sampai di sana? รถบัสไปกลางเมืองออกเมื่อไหร่คะ Kapan ada bis yang pergi ke pusat kota? นี่กระเป๋าเดินทางของคุณใช่ไหมคะดีมานะกระเป๋าของคุณใช่ไหมคะเปมาถือของคุณใช่ไหมคะดีมาน่กระเป๋าเดินทางของคุณใช่ไหมคะ d i m a n a b a g a s i a n d อดิฉันสามารถนำกระเป๋าเดินทางไปได้เท่าไหร่คะ berapa บากา s, <S, <S i ซี่สา20ิั20กอะไรนะแค่20กิโลกรัมเองหรือคะ a ะ a รแค่2ิก่20ิโลกรัมแค่20ิโลกรมแค่ลรแค่ิโล่ิกรแค่ิโลกรัม่2ิกรคิโลกรมแค่2กิโลกรัมค่20ั่ลคิโลกร่